スタニーウィティマハワイティアライテクノロジー・ラシモンコン・タンヤブリ、レボ f M サトリオ・マウティプレクス、ホームティー・バーシッガー・チュター・メーカー・ハース、ソングル・ジャイ・セン・ジャアカレティー、ソングル・シー・ティング・ソングル・ホー、タノン・ウィパワงデิー・ランงー、ホーン・ディン・デン・ケ・ディン・デン・グロングテー・マハナコ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข้าวสารจากมหหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมองคล・ทันยャบุรี่ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผิวฟังติดตามรับฟัง概ท า, าระมี así para preparing My Computer ดำเนินร тай การโดยที่มงานวิทยุงานวิทยุราชมองคลทันยะบุรี่ สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะดลิสาตระกุลเง็กพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายนะคะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเจอกันในช่วงเวลานี้แล้วนะครับมาติดตามเรื่องราวเข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีอะไรมัปเดตบ้างนะจริงๆอยากจะพูดถึงอินสตาแกรมก่อนเลยค่ะคุณเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่ามีน้องที่ออฟฟิศเนาะถามว่าแบบ Instagram เป็นอะไรไม่รู้ว่าทำไมทุกคนขายเลแบนกันหมดเลยเาขายวันตากันไปหมดเลยนะฮะเราก็ตอนแรกแบบขายบ่อยขณะนี้จะอันฟอร์คนนั้นและอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่นะคะมีวิธีแก้ไหม Don't Hack ค่ะ เ, เราก็เลยไปตามหามาก่อนอคือวิธีแก้เนี่ยจริงๆอาจจะแบบ เหมือนไม่ได้เหมือนเป็นแบบอของเฟซบุ๊กที่เราลบเหมือนไวรัสอะไรเงนี้ยค่ะคุณ ค, คืออันเนี้ยเขาจะให้ป้องกันโดยการเหมือนเป็นล็อกสองชั้นของอินสตาแกรมนะคะคืออินสตาแกรมเนี่ยเขาทำวิธีการป้องกันออกมาไม่ให้อ่าไม่ให้บัญชีอินสตาแกรมเนี่ยถูกแฮกด้วยการเปิดใช้เขาเรียกว่า two factor authentication ค่ะคุณค คือเจ้าตัวอินสตาแกรมเองเนี่ยเขาเป็นบริการโซเชียลนะคะที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการลงภาพแล้วก็การถ่ายชีวิตประจำวันต่างๆลงในส ต, ต, ต, ต, ตอรี่เนาะแล้วก็สำหรับคนไทยเองนะคะก็ใช้เป็นจำนวนมากพอสมควรรวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียงดารานักล่องไซเล็ปต่างๆ แล้วก็มีถึงขั้นแบบะจะมีแอดโฆษณาสำหรับดาราเซเลบเนาะ <c oughs> เขาก็จะมีการจ้างให้รีวิวโฆษณาในอินสตาแกรมด้วยอันนี้เราเห็นเห็นกันแหละนะคะแล้วก็ปัญหาที่เราพบบ่อยๆตามหน้าสื่อนั่นก็คือบัญชีอินสตาแกรมเนี่ยโดนแฮกค่ะคือหลายคนบอกว่าเอ้ย ฉันไม่ได้เป็นคนดังทำไมโดนแฮ็กล่ะคืนนี้เนี่ยไม่ว่าจะแฮ็กจริงหรือว่าทำให้ดูเหมือนถูกแฮ็กก็ตามนะคะประเด็นเรื่องความปลอดภัยของไซเบอร์เนี่ยขอนำเสนอว่า how to ง่ายๆก่อนนะคะในการป้องกันบัญชีอินสตาแกรมของตัวเองค่ะคุณคือหลักฐานในเรื่องของพื้นฐานง่ายๆนะคะการป้องกันบัญชีออนไลน์ใดๆก็ตามในเรื่องของรหัสผ่านถ้าสมมติว่าผ่านไปแล้ว ปีหนึ่งคุณนี้ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านนะคะก็สามารถโดนแฮ็กได้ง่าย ๆ, ๆเหมือนกันก็ก็ควรจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางบางท่านบอกว่าจำรหัสเก่าไม่ได้ต้องไปตามหากันอีกนะคะสำหรับรหัสผ่านเนี่ยไม่ใช่วิธียืนยันตัวตนที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอาจจะใช้รหัสผ่านซ้ำกันได้คือบางคนเนี่ยใช้ทุกอย่างซ้ำกันหมดเลยเหมือนกันบบริษัทฉันก็ใช้นะเฟซบุ๊กอีเมลทุกอย่างจะคล้ายๆกันหมดเลยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าสุ่มเสี่ยงนะคะ เผยไปเปิดรหัสให้คนรู้จักคนได้ชี้ทราบอะไรอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยการป้องกันบัญชีออนไลน์แบบนี้นะคะก็เลยอยากจะพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพระบบล็อกสองชั้นของอินสตาแกรมก่อนคือมันจะมีแบบล็อกอินสองปัจจัยอะคะ่ะคุณเสริมความแข็งแกร่งให้กับบัญชีนะคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบล็อกอินสองชั้นที่เราแจ้งไปเนี่ยในกรณีของอินสตาแกรมเองนะคะจะไม่เหมือนในกลุ่มแอปพลิเคชันของการเงินธนาคารซึ่งของการเงินธนาคารเองเขาจะมีเอสเอ็มเอสหรือว่าโอทีพีอะไรก็แล้วแต่ยืนยันเนาะกรณีอินสตาแกรมเนี่ยก็จะเป็นตัวให้บริการล็อกสองชั้นเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปีสองพันสิบหกแล้วนะแล้วก็ผู้ใช้ทุกคนสามารถเปิดใช้ได้เองด้วยนะคะคจากแอปพลิเคชันวิธีการคือวิธีการเปิด two factor ออดเอนดิเคชันแบบนี้เนี่ยในอินสตาแกรมเนี่ยจะเปิดอินสตาแกรมก่อนแล้วก็เลือกที่รูปปุ่มที่เป็นโปรไฟล์รูปคนนะคะคุณของเราเองนะที่อยู่มุมขวาล่างนะคะจากนั้นก็กดตรงปุ่มสามขีดนะคะที่อยู่ขวาบนแล้วก็เลือกเซตติ้งค่ะที่อยู่มุมขวาล่างอีกทีหนึง่ง จากนั้นนะคะให้เจอหน้าจอที่เป็นรูปการไขกุญแจนะคะในหน้าจอถัดไปเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าต้องการยืนยันตัวตนสองชั้นด้วยวิธีแบบไหนคือระหว่างการยืนยันก็จะมีโค้ดจากเอสเอ็มเอสหรือว่าแท็กบัสเซดมานั่นแหละคะ่ะหรือว่าการใช้แอปช่วยยืนยันตัวตนอีกทีก็มีเหมือนกันสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านเอสเอ็มเอสแบบนี้นะคะเป็นวิธีที่หลายคนคุ้นเคยเพราะว่า เราใช้งาน SMS ที่เป็น OTP กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะถ้าเรากดเปิดใช้งานในแบบ tag message เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็เพียงรอ SMS จากเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราที่เราตั้งค่าเอาไว้กับบัญชี Instagram แล้วก็รอกรอกรหัสตัวเลข6หลักที่เขาจะส่งกลับมาอันนี้ก็เรียบร้อยเลยเป็นแบบเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยต้องการจะเปิดให้ล็อกแบบ2ชั้นนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชัน uh authentication ตัวนี้ สำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน S M S แบบนี้เนี่ยอาจจะมีช่องโหว่งนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะถูกดักข้อความ S M S ได้มันก็จะมีช่วงเวลาใช้ได้แค่ช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้เท่านั้นอันนี้เนี่ยบอกเพื่อความสนใจของใครหลายคนบอกว่าอินสตาแกรมชั้นสำคัญมากเลยอาจจะเป็นเซเรปหรือว่าดาราที่ต้องใช้ทำหากินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จำเป็นนะต้องตั้งรหัสให้มันเป็นสองชั้นก็ได้เพราะว่าเขาก็มีบริการอยู่นั่นเองทำทำตามขั้นตอนที่บอกไปในข้างต้น นะคะก็จะสามารถล็อกสองชั้นได้เหมือนกันค่ะสำหรับคนที่สนใจล็อกอินด้วยวิธีนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันของกูเกิลก่อนนะคะกูเกิลออเดนติเคชันคือมีทั้งแอนดรอยและแอลเอสด้วยนะคะสามารถใช้บระกิการอื่นๆได้ด้วยนั่นเองค่ะอืมนะคะอ้าวโดนกันเยอะช่วงนี้นะครับใช่คือจริงๆมันไม่มีวิธีธแก้ที่แบบว่าให้หายเลยให้หายไปเลยอะ่ะอันนี้แก้โดยการเปลี่ยนรหัสผ่านง่ายที่สุด แล้วตัวเดิมก็สามารถไปลบลูบได้ลบลูบได้ค่ะลบลูบทิ้งนะก็เห็นโดนเยอะแล้วก็มีรู้สึกว่ารู้สึกว่าโดนไอจีไอจีหลักนะรู้สึกว่าไอจีหลักของของของสถาของมหาวิทยาลัยอ่ะเขินโดนไปตัวหนึ่งแต่แต่เราแต่มันไม่โพส์นะมันเหมือนเป็นคือบอกไม่ถูกอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโพส์แชร์มาแชร์ผ่านลิงค์ซึ่งก็มีคนมามากดดูอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะ เราก็ไม่มีแชร์ในนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแบบวิธีการแบบแชร์แบบผ่านโฆษณาคุณอ๋อใช่ใช่ค่ะแบบแชร์ผ่านโฆษณามาแต่ว่าเหมือนโปรโมทเออโปรโมทโปรโมทอ่ะมันจะเป็นฟิวนั้นมากกว่าไงเราก็หาไม่เจอเพราะเราก็ไม่ได้ทำแบบเป็นโฆษณาแบบนี้สักทีหนึ่งอะไรนะอ้าวก็พยายามเช็คระบบอยู่พอสมควรนะครับอ้าวมาดูเรื่องราวกันต่อนะฮะเรื่องราวของกูเกิลกันหน่อยนะฮะเพิ่มกูรุกเล่นใหม่ตอนนี้สอนวิธีออกเสียงคำที่ยากอ่านยาก ค่ะเออนะฮะบางทีเราก็ไปเจอคำที่มันมันอุย้ย ม, ม, มันอ่านยังไงเนี่ยคือบางทีไม่ใช่ภาษาอังกฤษตรงตัวอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคำเฉพาะใช่นะครับแล้วก็<ๆ>ก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ย เ, ออเรื่องของการอ่านออกเสียงเองเนี่ยเขาก็มีการถูกรวบรวมกันไว้ในเครื่องมือของกูเกิลเซิร์ชนะครับออโดยต้องใส่คีย์เวิร์ดว่า how to pronouns <pronounce S 2> นะครับลงไปด้วยเช่น how to pronouns ก็กล้านะฮะハウチュโปนาอันโนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะคำอ่านยากๆเป็นคำแบบต่างประเทศที่เป็นคำเฉพาะนะครับไม่แต่เพียงระบบจะอ่านออกเสียงให้เราฟังเท่านั้นสามารถปรับให้มันดูช้าลงด้วยอมเออเหมือนเอออะไรนะอ่านว่าอะไรเนะี่ยใช่บางทีเขารวบคำไงหุน่น ข, ขอช้าๆได้ไหมอะไรเงี้ย <ๆ S 2> หรื อ, อฝึกออกเสียงตามได้ด้วยนะฮ ะ, ะซึ่งระบบจะวิเคราะห์ให้เราได้เห็นว่ า, าจะพูด ถูกหรือไม่อย่างไรคุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้ทั้งเดสก์ท็อปสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้รองรับแค่ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและก็บิดเดส์นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเครื่องมือเครื่องมือนี้เนี่ยยังไม่รองรับการใช้งานในไทยนะจ๊ะเราเข้าไปทดสอบแล้วเพราะว่าไม่ใช่ทุกคำที่ระบบตัวนี้เนี่ย จะสามารถใช้งานได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ทางกูเกิลเองก็เริ่มจากทยอยขยายบริการนี้ไปอยัางภูมิภาคต่างๆแอนาคตรวมถึงเพิ่มภาษาที่สนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันอืมค่ะดิฉันเล่าประสบการณ์ญนิดหนึ่งไปร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้านค่ะคุณแล้วมีต่างชาติมาจับใจ่ายซื้อของอเขาก็จะถามว่าแบบว่าอันเนี้ยเท่าไหร่อันนี้อะไรเงี้ยถามน้องพนักงานอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่า น้องเขาอาจจะแบบว่าเป็นรูปพื้นฐานเฉยๆเขาจะถามว่าตัวนี้มีน้ำตาหรือเปล่าคือลึกไปกว่า น, นั้นไงเขาก็อา จ, จะตอบไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าใช้ Google Assistant ค่ะคุณพูดภาษาตัวเองแล้วก็เอายื่นให้น้องฟังเป็นภาษาไทย อ, อีนี้ก็ช่วยได้อยู่นิดนึงไหม มันก็ได้อยู่นะครับสม่วนมากก็ใช้นี่กันนะก็น่าจะช่วยได้แบบภาษาเอานะฮะอเอาเป็นเรื่องของอีกตัวหนึ่งนะจำได้ไหมที่เราพูดถึงเรื่องของผู้ช่วยอะ่ะของกูเกิลเองเนี่ยเขาก็ทำเขาขยันเนาะต้องขยันนิดนึงเพราะว่าออช่วงนี้แบบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาให้น่าสนใจเนาะอย่างที่คุณพูดเลยเป็นกูเกิลโฟโต้ใช่ไหมใช้เปลี่ยนชื่อแท็บสักนิดหนึง่งเป็นแอซิเดน เป็น for you จะเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมแอชิตแทนเป็นผู้ช่วยเนอะ for อ you สำหรับคนอย่างนี้เหรอเพราะว่าย้ายบางอ๋อย้ายไปบางฟีเจอร์เนี่ยให้ย้ายไปใส่ใน manage your library แทนนั่นเองนะคะต้นเดือนที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะไม่ได้ค่อยสังเกตสักเท่าไหร่เพราะว่า Google Photo เนี่ยเขาเป็นบริการเก็บรูปภาพสำหรับ Android แล้วก็ iOS ด้วยมีการปรับปรุงนะคะเมนูหน้าตา info ให้ดูง่ายขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มอัลบัม้ม ให้ดูง่ายขึ้นเข้ามาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นแหละนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะเพราะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วของ Google Photo ที่เพิ่มเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงในรอบที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนของแท็บที่เรียกว่า Assistant ตัวผู้ช่วยเนี่ยแหละคะ่ะที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น For You ขึ้นมา พร้อมกับย้ายฟีเจอร์บางตัวออกมาสร้างเป็นแท็บใหม่นะคะ manage for your library แล้วก็ดูเหมือนว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อก็เพื่อที่จะลดความสับสนของผู้ใช้งานเองนะคะว่าแท็บแอซิเดนต์เนี่ยก็คือผู้ช่วยอย่างเช่นกูเกิลแอซิเดนต์เขาก็มีแยกออกมา สำหรับแอปพลิเคชันบน iOS เองนะคะแล้วก็มีบริการบนเว็บไซต์ให้ได้รับการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแอปพลิเคชันบนแอนดรอยเองเนี่ยยังต้องรอกันก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอไปรอติดตามดูว่าเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตสำหรับแอนดรอยนั่นเองคือ iOS ไปเรียบร้อยแล้ว นะคะในเรื่องของการอัปเดตใส่ฟีเจอร์ manage your library แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากแอตติแทนเป็น for you นั่นเองครับผมอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเป็นปัญหามากเพราะว่าหลายคนก็ใช้ไว้เก็บรูปนะคะคุณครับนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยฉันก็เซฟรูปไว้คือบางทีมันเต็มเนาะเราก็ต้องไปฝากไฟล์รูปอะไรอย่างเงี้ยไว้ในในในแอปพลิเคชันที่เขามีให้สำหรับพวกนี้นั่นเอง ถ้ามีปัญหาในส่วนของ iOS เนี่ยเขาจะมีดิฉันเคยใช้ iOS แล้วแบบว่าเซฟรูปเยอะเยอะเยอะเยอะเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าไอคาวคุณจะเต็มแล้วนะจ้าจ้าช่วยซื้อหน่อยอ <laughs> แต่เราจะทำายังไงดีล่ะเราก็เลยไปฝากที่อื่น <laughs> แทนแทนการซื้อนั่นเอง อ, อ, อันนี้ก็เป็นการแบบปรับตัวของ Google นะมีการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆมากมายนั่นเองค่ะคุณ ไปที่ไลน์กันบ้างไหมใช่แล้วนะครับไปที่ไลน์กันหน่อยนะฮะตอนนี้เจแปนยุหยะฮูเจแปนเตรียมเจรจาควบรวมกิจการกับไลาย น, ะะน์นะฮะแน่นอนว่าไลน์เองเนี่ยก็เป็นเป็นแบบ แอปพลิเคชันสัญชาติของญี่ปุ่นนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ก็กระดับกระใจายไปตามหลายพื้นที่ด้วยนะฮะทุนก็บอกว่าคัดทิ้งการประสบความในการใช้งานาบริษัทลูกนะฮะอย่างซอฟแบงนะฮะที่รู้จักกันในการให้บริการย่าฮูนะฮะเจแปนอย่างเช่นไวย์โมบายนะครับเวสพอร์ชันนะฮะอ、e、ีคอมเมิร์ซและก็บริการการเงินต่างๆเตรียมจราจร้าขั้งสุดท้ายกับนาเวอร์นะฮะในการควบกิจการกับหลายคาดว่าจะชัดเจนในช่วงปลายเดือนนี้ แต่ถ้าหากควบรวมกิจการได้นะฮะซีโฮดดิ้งเนี่ยกับไลหรือที่เรารู้จักกันยอฮูเจแปนควบรวมกิจการไลายได้จริงจะทำให้การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดสองรายใหญ่สุดของญี่ปุ่นรูปรวมเขาได้วยกันนะฮะโดยทางซอฟแวร์เองก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการ และแบบแทนส์แ applic� ชั้นด์นามของโลกทำให้ถูกจับตามองจากบริษัตต์ด้านเทคโตโนยีทันธีอะไรทีเดียวนะฮ ะ, ะก็ถือว่าเป็นอินการเปลี่ยนแปลกก็เรามาดูนะฮะว่าจะมีผลอะไรกับบ้านเราหรึอเปล่าเพราะอันนี้คือเป็นบ้านของทางญี่ปุ่นนะฮ ะ, ฮะที่เขามาจะมีความคริ่นไหวกั น, เ, นเรื่องของการใช้งานนะฮะการแบบจับจัดแบบ อะไรนะ cashless นะฮะอเอ<ไ>เอนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมาดูที่ยูทูปกันหน่อยล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเราคุยคุยกันเรื่องของยูทูปอะไรพิมีมหรอใช่พิมีมค่ะเออนะฮะที่ต้องใจ่ายตังค์เสียเงินสร้างมสมาชิกเครือข่ายแฟมิลี่ยูทูปกันไปนะฮะอตอนนี้มาดูเรื่องของการอัพโหลดวิดีโอยูทูปกันหน่อยอ ปกติเราจำได้ว่าถ่ายทอดสดอัพเนี่ยมันก็ชั่วสักชั่วโมงกว่าๆเนาะชั่วโมงอมสองชั่วโมงจำกัดไหมายว่าต้องเป็นแบบแอคเค้าที่มีคนตามเยอะเท่านี้ออถึงจะได้เยอะเท่านี้อ ะ, อะไรอย่างเงี้ยไปดูเรื่องราวนี้กันดีกว่าคุณคว่า ย, ยังไงกันบ้างสำหรับการอัพโหลดวิดีโอนะคะของยูทูบเนี่ยหลายคนก็สงสัยแหละว่าเอ้ยฉันจะสามารถอัพได้เท่าไหร่ยาวสูงสุดกี่นาทีหรอบางท่านก็ไม่ทราบเนะเาะบอกว่าแบบก็กลัวจะอัพไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงได้หรือเปล่าเพราะคนทั่วไปปกติเนี่ย ในเรื่องของการตัดต่อทำวิดีโอยาวๆเนี่ยสูงสุดประมาณสองถึงสามชั่วโมงมนะคะแต่ว่ายูทูบเองเนี่ยสามารถรองรับความยาวได้ยาวกว่านั้นนะคือสองถึงสามชั่วโมงนี่เป็นเบื้องต้นนะคะคุณแต่ว่าก็จะมีขีดจำกัดในเรื่องของความยาวของวิดีโอเหมือนกันแล้วก็รวมถึงขนาดไฟล์ด้วยนะคะที่จะอัปโหลดขึ้นไปคุณสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ยาวสูงสุดสิบห้านาทีหลังจากสมัครสมาชิกของกูเกิล แต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันจากทางยูทูบเป็นที่แน่นอนนะคะว่าสามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอยูทูบได้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นหรือเปล่าเราสามารถอัพได้มากกว่าสิบห้านาทีไม่ใช่ะคะคุณใช่ไหมเป็นทั้งโมงเนาะใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากคุณได้รับการยืนยันบัญชีอ๋อแบบว่ายืนยันแล้วว่ายูทูบเนี่ยยืนยันบัญชีให้คุณคุณจะสามารถอัพโหลดวิดีโอที่มีความยาวมากกว่าสิบห้านาทีได้คือเบื้องต้นก่อนสำหรับในเรื่องของการอัพโหลดวิดีโอแบบนี้นะคะสิบห้านาทีแรก ไดเทานนถ้าได้รับการยืนยันบัญชีของ Google เรียบร้อยนะคะเขากา็จะให้คุณเนี่ยอัปโหลดได้มากกว่า15นาทีโดยทำตามขั้นตอนนั่นก็คือคุณไปยืนยันบัญชี Google ก่อนที่ www.youtube.com/slashverifier บนคอมพิวเตอร์นะคะทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันบัญชีของ Google อันนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าต้องใช้มือถือด้วยเพื่อรองรับ SMS แล้วก็ OTP ยืนยันการทำรายการนะคะ ขั้นตอนการยืนยันบัญชีเนี่ยทำได้ฟรีค่ะคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายคือใครก็สามารถยืนยันวอร์ดิฟายได้ นะคะอันนี้เนี่ยสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ยาวกว่าสิบห้านาทีคือบางคนแบบ โ, อโหฉันใส่ไปเป็นชั่วโมงเลยทำไมมันถึงไม่ให้อัปลากคือยังไม่ได้เวอร์ดิฟายต้องไปเวอร์ดิฟายก่อนว่ายืนยันตัวตนเหมือนแบบฉันมีตัวตนจริงๆนะประมาณนี้นะคะเรื่องของการอัปวิดีโอของยูทูบเนี่ยสูงสุดก็หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกนะคะความยาวสุดๆเลยก็สิบสองชั่วโมง ย, ยาวจัง เหมือนดูหนังหลายๆรอบนะคะขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดนะคะถ้าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือความยาววิดีโอไม่เกิน12ชั่วโมง และก็ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกด้วยนะคะถ้าหากขนาดไฟล์วิดีโอใหญ่มากๆเนี่ยก็ต้องใช้วิธีบีบอัดวิดีโอสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าความยาววิดีโอเนี่ยก็ต้องไม่เกินสิบสองชั่วโมงเหมือนกันไม่น่าจะมีไฟล์อะไรที่มันเกินสิบสองชั่วโมงไหมมีผมว่ามีแบบอุปกรณ์สำมั่นหน้าอ๋อยาวๆใช่ไหมถ่ายทิ้งไว้อย่างงี้ป่ะทิ้งไว้แบบว่าตั้งกล้องยาวอะไรเงี้ยเป็นหลายๆชั่วโมงไปชุ่มอะไรอย่างงี้นะฮะแต่จริงๆก็ดูแบบ ยาวไปก็ไม่ดีอ่ะยาวไปเขาก็ไม่ดูเขาดูแบบสั้นๆแล้วตอนนี้ใช่อันนี้นะะก็เบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าแบบเอ้ยเราเราคนทั่วไปเนี่ยอัพได้เปล่าวอัพได้กี่นอาทีประมาณอันแรกก็คือสิบห้านาทีถ้าอยากจะมากกว่าสิบห้านาทีต้องไปยืนยันตัวตนกับทางยูทูบก่อนนั่นเองนะค ะ, ะสแสดงว่าอของเราก็เวอร์ฟายตัวเองแล้วนะฮะเวรฟายไปเรียบร้อยก็ได้แบบนั้นอยู่นะฮะใช่ใชไปต่อในเรื่องราวนี้นะฮะ ในส่วนของเฟซบุ๊กกันหน่อยไหมค่ะนะฮะว่าอตอนนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างเขาเตรียมทดสอบแอปใหม่นะฮ ะ, ะให้ผู้ใช้งานมีมเองได้ด้วยนะฮะและอีกเรื่องราวหนึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นเรื่องของสิทธิข้อมูลส่วนตัวกันเรื่องราวของการปรับนะฮะห้ามโพสหรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่รู้ว่ามันมันจ ะ, ม, นจะมันจะแบบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไงอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ การค้าขายบนโลกออนไลน์อย่างนี้ไหมเพราะว่า<อ>ต้องมีการพูดถึงในเรื่องของแบบข้อมูลส่วนตัวสักนิดนึง อ, อะไรอย่างนี้ไงม า, มาลงรายละเอียดข่าวนี้กันนะฮะโลกโซเชียลพูดถึงเรื่องของเฟซบุ๊กแจ้งเตือนแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ให้ลบโพสตที่มีการละเมิดความเป็นตัวส่วนตัวมีเบอร์มีชื่อที่อยู่เลขพัสดุนะฮะ มิเช่นนั้นอาจโดนปิดเพจได้ง่ายอ้าว ค, คือทั้งหมดเนี่ยมันต้องแจ้งอะทำยังไงอะเอะอมันเกิดมันแย่แล้วว่าจะทำยังไงดี<ม>นะฮะรวมถึงข้อมูลเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าทีมงานได้มีการรายงานจากพ่อค้าแม่ค้าอะไราบางส่วนแล้วนะฮะสรุปว่าเป็นเรื่องจริงโดยแจ้งเตือนนะฮะ จากการวิเคราะห์คาดการว์วกระแสะข่าวไหลายเดือนที่ผ่านมาเฟซบุ๊กมีเยอะเรื่องของหลายคดีในหลายประเทศรวมถึงการขึ้นศาลโดยปรปับครั้งประวัติศาสตร์ถึงแสนห้าหมื่นล้านบาทของมาร์คกระเบิดนะฮะกรณีข้อมูลนี้นะฮะมีผู้ใช้ห้าสิบล้านคนร่วงไหลถูกขายไปหลายบริษัทรวมไปถึงทางออกในเรื่องของการจัดการกับข่าวปลอมที่ไม่เป็นรูปแบบร่างสักทีทำให้ล่าสุดตอนนี้เฟซบุ๊กเองก็ออกมาสร้างกฎหลายอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่น มาตราอามาตฐานชุมชนข้อ12ที่บอกว่าการละเมิดความเป็นส่วนตัวและก็สิทธิความเป็นส่วนตัวของรูปภาพได้มีการกล่าวรายละเอียดดังนี้ห้ามโพสต์เนื้อหาต่อไปนี้คืเ อ, อเนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัว ต, วตนโดยการโพสต์หรือขอข้อมูลระบุตัวบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำก กัดเพียง、mm hmm. หมายเลขประจำบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขประชาการสังคมหมายเลขหนังสือเดินทางหรือเลขที่ใช้ในการสอบบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวข้อมูลดิจิทัลนะครับหรือรวมถึงรหัสผ่านเนื้อหายที่ประกอบด้วยประวัติหรือเอกสารทางการแพทย์ ทางจิตวิทยาไบรโอเมตริกหรือพันธุกรรมของบุคคลอื่นด้วยอันนี้ส่วนมากเขาเขาก็ไม่เขาเขาก็ไม่ยอมปิดนะเออแบบที <c oughs> ่มันก็ปิดปิดปิดปิ ด, ป, ด, ป, ดปิดกันอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะไม่ให้ให้หมดนะฮะใช่ค <c oughs> ่ะเนื้อหาที่เอื้อต่อการขาโมยข้อมูลส่วนตัวโดวยการแชร์ข้อมูลระบุตัวบุคคลผ่านลิงก์ภายนอกเนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยขมย้อมูลส่วนระบุตัวตนโดยการแชร์ข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจเนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมย ข้อมูลระบุตัวตนโดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลนะฮะต่อไปนี้บัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลธนาคารคืออะไรอ่ะหน้าบุ๊กเนี้ยเหรอแล้วจะไปหรือว่าเลขบัญชีธนาคารเนี้ยพิมเฉยเฉยก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรได้หรอไม่รู้จะโอนให้เราอย่างนี้หรือเปล่านะฮะบันทึกทางการเงินคู่กับข้อมูลบัญชีผู้ใช้สลิปสลิปไหม สลิปเงินเดือนอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่สลิปโอนเงินอ้าวสลิปโอนเงินอ้าวเวลาเราซื้อของเสร็จเราต้องแจ้งสลิปโอนเงินให้กับแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องเป็นแชทหรือเปล่าเออนั่นสิไม่แน่ใจข้อมูลที่เกี่ยวกับการขโมยข้อมูลระบุตัวตนโดยการแชร์ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของผู้อื่นนั้นหมายถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวแย่แล้วนะฮะคือห้ามโพสทุกอย่างบนเฟซบุ๊กนั่นเองอ้าวแล้วมันมีกฎหมายไทยกฎหมายหนึ่งที่ต้องบอกว่า ต้องบอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะติดต่อไม่ให้ยืนยันตัวตนใช่ไหมอันนี้คือที่ไทยให้ยืนยันตัวตนคือคือมันต้องมีแบบบังตัวบางทีก็ต้องแบบว่าให้ติดต่อได้อะไรเงี้ยอีอีเมล์มาสเซนเจอร์แล้วก็ข้อมูลระบุตัวตนแชทนะครับซึ่งข้อมูลที่สามารถแชร์เพื่อวัตถุทางการกุศลบริการที่ไม่ละเมิดสิทธิ์หรือช่วยในการตามหาบุคคลหรือสัตว์ที่สูญหายได้ยกเว้นกรณีที่ เนื้อหาที่มีมาจากข่าวหรือเนื้อหาที่อ้างหรือยืนยันว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกแฮกไม่ว่าบุคคลนั้นได้รับผลกระทบเป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลทั่วไปแต่ถ้าแบบว่าอารมณ์แบบอุ้ยตามหาคนนี้คนนี้ติดต่อเนี่ยได้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบเอ้ยทำแบบเอ้ยแช่น้อยติดต่อฉันหน่อยซีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้แบบเอ็กตัวละอันใช่ไหมเอ็ก ไม่ครบไม่ครบใช่ไหมไบบทำไม่ครบแต่ข้างหน้าคือศูนย์อะไรเงนี้ยคือไม่รู้ว่าเขาจำกัดความแค่ไหนว่าเราห้ามพิมพ์อะไรลงไปในเฟซบุ๊กอะ่ะมีนี้ด้วยนะเนื้อหาที่ระบุชื่อบุคคลและก็บันยายข้อมูลส่วนตัวใบขับขี่บัตรออกโดยรัฐ、ok、นักเดินและใบขับขี่กรีนการ์ดเอกสารย้ายถิ่นฐานทะเบียนสมรสสุทธิบัตร หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อข้อมูลระบุ ต, ตัวตนรวมถึงรหัสผ่านทะเบียนรถทะเบียนรถก็ไม่ได้นะไม่ได้ไไแต่ปกติเราก็ ป, ปิดปิดอยู่แล้วไหมไปถ้ายทะเบียนอาจจะได้ไ <ป S 1> แต่ข้อมูลที่เป็นแบบ เอกสารทะเบียนรถ อ, อ่ะส ม, มุดทะเบียนรถน่าจะไม่ได้เนื้อหารที่แสดงภาพภายนอกของที่อยู่อาศัยส่วนตัวหากตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวหรือมีเลขที่บ้านแสดงอยู่ในภาพคำบรรยายระบุเมืองย่านกล่าวถึงแสดงกล่าวถึงผู้ที่พักผู้พักอาศัยคัดค้านการเปิดเผยที่อยู่อาศัยส่วนตัว ก็คือประเด็นถ่ายเห็นที่อยู่เลยประเด็นห ล, ลักๆประเด็นหลกักๆก็คือกลัวข้อมูลล้วนไหลเพราะว่าทางเฟซบุ๊กทำข้อมูลของผู้ใช้งานล้วนไหลไปแล้วแล้วก็โดวนหลายคดีในต่างประเทศ อ, อืมเขาก็เลยป้องกันมาในที่นี้สักนิดนึงอาจจะแบบไม่อนรารมณ์แบบอคุณณริสาขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยถ่ายรูปแล้วเห็นบ้านเล็กที่ไม่ได้ <laughs> โดนบล็อก <c oughs> เลยเชิญบอกว่าไปเล่อะเชิญร่วมงานที่บ้านเลขที่เนี่ยได้ไหมเออไม่รู้อะเนาะแต่เขาบอกห้ามใส่แรกที <g ười> ่<ส> <c oughs> ไม่รู้ขอบเขตว่ามันได้แค่ไหนอะเนาะคือคือแบบชอบใช้คำกับคำกลวัวอะตอนนี้กำลังสงสัยว่าจะได้แค่ไหนแต่ว่าเขายังไม่ระบุออกมาชัดเจนว่าเขาบอกแค่เฉยว่ามีการปรับใหม่ห้ามโพสและแชร์ข้อมูลส่วนตัวถ้าพูดแค่ว่าข้อมูลส่วนตัวเราก็จะพูดว่าแบบเอออะไรนะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ แล้วก็อีเมลอะไรที่มันเป็นส่วนตัวเราก็ไม่โพสแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบถ่ายรูปติดมาอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีการแบบปิดบังแล้วจากสติ๊กเกอร์ที่แปะเอาไว้อาจจะได้แต่ถ้าสมมติอย่างที่คุณบอกว่าแบบถ่ายออกมาแล้วติดติดอะไรนะหมายเลขบ้านใช่ไหมได้ไหมก็ไม่แน่ใจอีกว่าจะโดนแบนหรือเปล่าโดนบล็อกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจต้องถามทางคุณมาร์คสักเบิร์กนะคะว่า จะแค่ไหนกันในเรื่องของการปิดกัน้นปรับใหม่ห้ามโพสแล้วก็แชร์ข้อมูลส่วนตัวแล้วถ้าเป็นในส่วนของการค้าขายอย่างที่เขาบอกบอกว่าแจ้งเตือนไปอยัางเพจเฟซบุ๊กแบบนี้เพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจะต้องขนาดไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยการค้าขายอะไรเงี้ยค่ะต้องลงข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลติดต่อได้ยังไงแล้วอะไรนะหมายเลขบัญชีธนาคารอันนี้ต้องห้าอยู่แล้วอะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมาดูอีกอันหนึ่งดีกว่าค่ะคุณเฟซบุ๊กเหมือนกันทดสอบแอปพลิเคชันที่บอกไปนะคะชื่อว่าเวลที่แปลว่าปาวานนะคะคุณนะคะให้ผู้ใช้เนี่ยสร้างมีมได้เองโดยเฟซบุ๊กนะคะมีความพยายามที่จะจับตลาดกลุ่มวัยรุ่นนะคะด้วยมีมค่ะล่าดสุดมีการทดสอบแอปพลิเคชันใหม่ล่าดสุดที่ชื่อว่าเวลนะคะที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสร้างมีมด้วยตนเองคือมีมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบบ รูปภาพแทนคำพูดจากใจของตัวเองอะไรประมาณนี้เอาไว้ใช้เล่นในโลกโซเชียลโลกโซเชียลมีเดียนะคะการทำงานของเวลเนี่ยจะใหคล้ายๆกับการทำงานของแอปแต่งรูปปกตินี่แหละใช้รูปจากสต็อกมาเลยค่ะรูปที่มีอยู่แล้วตกแต่งเป็นมีมเพิ่มเติมใส่คล็อปภาพใส่ฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์อีโมจิได้หมดเลยแล้วก็สามารถแชร์ภาพได้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วคือมีมนั้นเนี่ยจะยังใช้ในโซเชียลได้ทุกแอปพลิเคชัน ของเฟซบุ๊กเองไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนแล้วก็เชื่อมโยงไปที่อื่นๆได้ด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการสนทนาโดยตรงจากแอปพลิเคชันเวลเนี่ยเขากำลังจะเปิดตัวแล้วก็ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเดอะอินฟอร์เมชันนะคะไปเจอมาว่ามีแอปพลิเคชันสร้างมีใหม่ให้ดาวน์โหลดในแอปสโตรของแคนาดาเริ่มต้นที่แคนาดาก่อนสร้างโดยนิวโปรดักต์เอ็กซ์เพเรนเมน experimentation นะคะซึ่งเป็นทีมของปิดเฟซบุ๊กนี่แหละแล้วก็เขาบอกว่าจากหน้าจอแอปพลิเคชันนะคะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนำภาพที่เป็นมีมไวรัลอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างเป็นมีมใหม่ได้ด้วยคืออันนี้เป็นแบบจะเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นให้มาเล่นมีมกันเยอะๆนะคือมีมเนี่ยจะเล่นได้เหมือนดิฉันรู้สึกว่าต้องเล่นในทวิตเตอร์หรือยงไงอคือเล่นในเฟซบุ๊กอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยอตอบโจทย์ไหมอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีมคือเป็นภาพที่แบบแทนคำพูดอะไรอย่างเงี้ย เป็นเป็นภาพที่แบบว่าสมมติว่าเป็นภาพอ่าน้องหมาตัวหนึ่งที่แบบมองบนอย่างเงี้ยคนเออแล้วก็เอาไปเป็นมีมว่าแบบเป็นแทนคำพูดฉันจะตอบด้วยมีมเราเลือกด้วยภาพอะไรประมาณเนี้ยในเฟซไอเน็ตเวิร์กจะเห็นเยอะแต่ในเฟซบุ๊กไม่ค่อยเท่าไหร่อืมอาจจะไม่ตอบเจออาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่หรือเปล่านะแต่เขาก็เลยเปิดขึ้นมาเพื่อแบบอยากจะ ให้ตอบโจทย์ไปยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาคุณมีประเด็นกันอยู่นะเฟซบุ๊กนะคุณกำลังเราตั้งตั้งเงินขายกันเยอะนะตอนนี้อะไรเงี้ยนะฮะเยอะไปหมดเรามาติดตามกันต่อว่าสัปดาห์หน้าเขาจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะคะรวมถึงเรื่องราวอื่นๆกันด้วยนะคะจะสิ้นปีละค่ะนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวดิฉันเอาเรื่องของการจัดอันดับมานะคะช่วงปลายปีแบบนี้เขาก็จะมีการจัดอันดับว่า แอปพลิเคชันยูทูบนะใครเข้าถึงอะไรมากมายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันจัดอันดับและกันนะคะสัปดาห์หน้าครับผมอ้าวหมดเวลาแล้วครับลาไปแล้วนะคะรศรุญเก่งพร้อมด้วยคุณปีพงศ์เคนทวายค่ะกับไมค์คอมพิวเตอร์วันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ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 ーーーテクノロジープルコンパープジウィン。